การพูดธรรมะก็เคยเตือนอยู่แล้วเรื่องการฟังธรรมะพูดธรรมะธรรมะไม่มีอะไรใหม่กิเลสก่อนนี้กิเลสตัวนี้ใหม่คนพูดก็อนไม่ใช่คนใหม่คนฟังก็ไม่คคใช่คนใหม่เรืองแต่ของเก่าไม่มีของใหม่ธรรมะของพุทธเจ้าที่นำมาสอนโลกคนนำธรรมะเก่า จิตมีอยู่ไปจำสัตว์แต่ไหนะอะไรมาแต่ถ้าว่าสัตว์เหล่านั้นไม่ได้ทำไม่ได้นำธรรมะ <c oughs> มาแก้ไขกายว่ า, จาใจใจของตัวสัตว์เหล่านั้นจึงดโจมอยู่ในกองทุกข์ตลอดมาพระพุทธเจ้าทรงคว้าแสวงหาธรรมะพิจารณาธรรมะเมื่อทราบแล้วขอนําธรรมะจิต มีอยู่ในโลกมาสอนโลกธรรมะถึงจะมากมายถึงแจดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์สรูปให้สั้นที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนสัพพัสกัตตัดเอาไว้ว่าสัพพาภาษาสะหนังกู่สละสุขสั้ประจัปทาปจิตตะปริโยธาปะนันงเอตังสุทธานสาสนถัง พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาตั้งรู้ในโลกนี้สอนอย่างโยกันฟังองค์หลวงแล้วกว่าถั่วถึงเต็มหมดคือท่านสอนให้พวกสัตว์ถั่วไปรักษากายวายาจใจให้ห่างไกลไปจากบาปความชั่วทางศาสนาถือว่าบาป บาปนั้นพระพุทธเจ้าเหวินไห้ละอย่าไปกระทำเพราะบาปนั้นนําผลมาให้แกจูดทําได้รับความเดือดร้อนความทุกข์ท่านจึงสอนให้เว้นไห้ละอย่าประมาทนี่โอวาทของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนให้ละบาละชั่ว สอนให้ยังกูสมหมยถึงพค้อมกุเจอสู่ปตะสบทากุสมหมายถึงความฉละหมายถึงความดีทุกสิ่งทุกอย่างหากโงูจะทํากิจการบานช่องก็ไม่สำเร็จจากที่นีที่เจริญนาร้กายวาจาใจของตัวให้ สุขให้สบายกน ไ, ได้ทันทีสอนให้ฉลาดโยกคือเือู่จะตสำปะช้าฉลาดในการํงเพิ่มความดีคือกุศลฉลาดรักษากายว า, ายใจทั้งตนให้คนไปจากชั่วประกอบจิตที่เป็นสาร ะ, ะประโยชน์ ให้เกิดขึ้นยังตัวและคนอื่นให้มีความสุขความสบายมีหมายถึงกุศลหมายถึงบุญคือตัวเองทําไปแล้วก็ไม่ตําหนิตัวเองว่าทำชั่วทําเสียพูดไปแล้วก็ไม่ตำหนิคําพูดของตัวที่หลุดออกปากจากปากตัวไปว่าไม่ได้ใส่ชิ่อชื่อนี้ที่เจน่ะไม่มีสติ หลุดไปหล่นไปตกไปโดยไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้สอบถึงดีชั่วเหตุผลอะไรท่านให้ที่นี่พิจานาการคิดไปขอทานองเดียวกันทางชั่วละทางดีบำเพ็ญให้เกิดให้ม้ขึ้นนี่เป็นโอวาของพระพุทธเจ้าข้อสุดท้ายก็คือ ใส่จิตตะปริโยธาปานังทำลายจิตของตนให้ผ่องแผ้วให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปมาด้านปริยัติ์กด้แเจศิลสมาธิตัญญาซึ่งเป็นไตรสิกขาควรศึกษาควรปฏิบัติ คือการรักษากายวาจาให้ละเอียดร้อยสมาธิคือความตั้งมั่นของใจปัญญาคือความบอกรู้ในสังขารทั่วไปต้องศึกษาส่องพิจารณามันเช่ว่านั่งหลับตามันเกิดขึ้นพิจารณาให้ถั่วให้ถึงให้เข้าใจเรื่องศีลนั้น ไม่ว่าใครทําลงไปแต่เทศไหนศาสนาใดก็าตามถ้าทปปําไปฝ่าฝืนเดีวยวั้งศีลที่พระพุทธเจ้าห้ามกันเอาไว้คนนั้นไม่มีใครนิยมชมชอบแม้สตัตว์ทั่วไปเขาการังเกียจดัะนั้นจึงควรสงนวนควรรักษาพอเป็นทางเกิดโทษเกิดทุกข์แก่ตนและคนอื่นภาในรักษา ในที่เจนาแแก่ไขสมาธิความตั้งมั่นของใจกว่าเป็นเรื่องทุกคนควรจะตั้งมั่นควรจะศึกษากันจะทำอะไรทางไหนมี ใ, ใจตั้งมั่นเลาะแหละเลี้ยวไหลจับจดคนนั้นทำอะไรก็ไม่สำเร็จรู้เรื่องไปให้ใจิตใจ วันไหวจิตใจวอกแวกจิตใจเอ็นเอียงเป็นจิตใจที่ไม่ตั้งมัน่นจิตใจขาดสมาธิอะไรเกิดขึ้นจากภายงอกภายไหมวันไววหววอกแวกโตกง่ายโลภง่ายหลงง่ายหาความจดจำแน่นอนไม่ได้หาความตั้งมั่นไม่ได้ ตัวของตัวเองก็ไม่สบายคนอื่นเห็นเขาก็ไม่ไหวเนื้อเชื่อยใจเพราะเป็นคนที่หล่อแหละเล้วไหลหมายถึงสมาธิถั่วไปสำหรับคนจะทำการงานอะไรถ้าขาดสมาธิเช่นอย่างการงานนั้นก็ไม่ส้งเร็จรู้เรื่องให้หรือส้างเร็จไปก็เหลือหัวไว้ ถ้ามีสมาชิกต อ, อย่างเดีย๋ยวทำาการงานอะไรการงานนั้นถึงจะยุ่งยากลำบากกว่าเียอบร้อยลุล้หวงไปได้นี่คือความตั้งมั่นของใจหมายถึงสมาชิถทั่วไปสมาชิในการปฏิบัติอัตธรรมทางศาสนาของลายใจของตัวเป็นสมาชิกทำนองเดียวกัน คืออบรมจิตให้ตั้งมัน่นในว่าวุ่นเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นผ่านมาถือว่าอารมณ์ส่วนนั้นไม่ยั่งประโยชน์ให้แก่ตัวและรับความสุขความสบายได้เราเคยคิดเคยปรุงเคยจิตเคยข้องในสัญญาอารมณ์เหล่า น, นั้นจิตใจไม่มีวันสุขสงบสบายได้ เราจึงฝึกษอนจิตของตัวให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิคือมั่นอยู่ในการละการมําเพลิละอารมณ์ที่ชั่วคีนะโยคล่อก็ยึดอารมณ์ที่ดีเอาไว้เพื่อใจตั้งมั่นลงรวมถา้าลงรวมได้ช่วมิดหน่อย เกียวว่คคณิกาสมาธิรวมลงไปถอนคุนมาแต่ในเป็นจิตธรรมดายังจกอยู่ในภวังยังอยู่ในอัดในธรรมอวุ้สิ่งต่างๆเกียวว่าอุปจาระสมาธิคือจรไปอปินาสมาธิหมายถึงใจ <c oughs> ขาดจากสัญาอรมทั้งหมด <c oughs> เน่แน่นิ่งสงบในเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์อะไรฝูฝึกฝูรวมทุกคนมันเคยผ่านก็ทราบได้ว่าปนาาเป็นอย่างไรไติกะอิปิจาละเป็นอย่างไรนี่คือสมาธิทางด้านสุตอบรมใจของตัวปัญญาความรู้ทั่วทุกสิ่งทุกอย่าง ตามความจริงของมันไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรข้องใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่งบอกอยู่ตามความจริงของมันในโลกนี้ที่เราถือว่าไม่เที่ยงเพราะสัญญาของเรามันไม่เที่ยงมันเห็นสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของตัว แต่ตามจริงแล้วสิ่งทั่วไปในโลกมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันคือมันเที่ยงในของมันเที่ ย, ง น, ง, ง, ง, ย, นย ง, งนั่นเองดัจจ ง, ดเงเกิดแก่เจ็บตายมันเที่ยงจะไหนต่อะไรมาไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดเคยแก้ไขได้คนรคือเห็นทวามเกิดแก่เจ็บตายเป็นทร่องเที่ยงก่อเพราะปัญญาที่เจริญนา จวามจริงของมันเมื่อมันแปลถันไปอย่างไรก็เห็นความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ภายในแปลถันไปหรือไม่ถันจะทราบจะเข้าใจด้วยปัญญาของท่านนอกจากนั้นคําสอนที่สรุปลงมาจากสัพตาประจักษ์สามข้อลงมาสู่ใจศีรษา มาสู่กายวาจาใจของพวกเราอีกพระพุทธเจ้าสอนศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็าดีคือสอนกายกับจิตไม่ได้ไปสอนอดที่อื่นทุกคนมีกายมีจิตที่จะที่นี้ที่เจอนะไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนัง่งนอนจิตเรามีจิตอยู่กับตัวเราตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาไม่ได้หายหน้าหายตาไปที่ไหน ไม่นควรจะลูกจากคามหาพอมันมีอยู่ที่เจรณาดูตลอดเวลาสิ่งได้เกิดมาให้รู้ตามเป็นจริงของมันให้เข้าใจโดยกันยาสำลัจิตจิตของจิตต่างๆให้ตกไปใจจะสบายใจจะสงบนี่คือทางสำละัะจิตใจของตัว ถ้าเราจะไปงมเรียนอันนั้นก่อนเรียนอันนี้ก่อนให้ถึงเข้าใจหมดในคําสอนของพุทธเจ้าที่ทรงมั่ญยติเอาไว้กรณีโอกาสเวลาที่จะชำระใจและเรียนได้เรียกตัญหามันก็บะเคยตกหลนออกไปจากใจมีแต่สัญญาที่จํามาเท่านั้นแต่เราเรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้ตีโตอิ มาบาเรียนอะไรต่ออะไรเกิกิเลสที่สิงอยู่ในใจไม่เคยตกหล่นออกไปยิ่งจะเกิดทิฏฐิจิเลสขึ้นอีกแต่เราเคยเรียนมาจะมาดูถูกมิ้นท่าประมาเราไม่ได้เราจาได้หลักของธรรมแต่หลบโ ก, ก่งในใจเป็นอย่างไรนั้นเขามาเลยละสัญลัะสามของเขา นี่แต่จำเอาจากตำหรักตำลามาเป็นสมบัติของตัวแต่ตำหรักตำลานั้น <c oughs> มันเป็นตารางอย่างจะอ่านรักษาไข้อ่านเท่าไหร่นั่งก็ไม่หายถ้าะไม่ใส่ตัวยาถ้าหากเราที่มีพเจนารําสำนักใจอยู่ตลอดเวลาเรื่องตำหรักตำลาท้ายนอก ไม่ต้องไปโยกข้อเพราะศีลก็คือการรักษากายวาจากายวาจาอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนกายวาจชาก็อยู่ที่นั้นและรักษาได้ด้วยความบริสุทธิ์กายไม่ไปทําสิ่งที่ชั่วคีอพระพุทธเจ้าห้ามกั้นเอาไว้วายชาเคยพูดสิ่งที่ชั่วที่เสียมันก่อเป็นศีลอยู่ในตัวแต่หาก ว่าไปศึกษาเรื่องของศีลห้าก็่ยี่สิแปดกวยี่สิบสองร้อยี่สิบเจ็ดหรือภายในสองหมื่นหนึ่งพันพัทธมณฑลมันมีทันมีเวลาใจจะสงบใจจะสบายได้เราต้องรักษาภายในต้องปฏิบัติภายในดูกายดูใจอยู่นี่คือสู่ปฏิบัติสู่รักษาใจให้ผ่อนใสใจให้สงบใจให้สบาย อย่าไปถือว่าเราใ น, ในเรียนอะไรมาอย่าไปปฏิบัติภาวนาไม่ได้พอพุทธเจ้าสอนพวกสาวกั่วไปสาวกเหล่านั้นได้ไปศึกษาอะไรมาจบพอไปทีไปดลบมาแล้วหรือถึงขอ้นะบอกพุปฏิบัตไิไม่ในี้ใครเคยศึกษาเคยเรเรียนมาศีล ม, มีมาจากที่ไหนสมาธิปัญญา ม, มีมาจากที่ไหน ก็มีอยู่ในกายในใจเท่านั้นพราะผู้ไปจ่ายถึงสอนลงที่กายที่ใจให้ที่เจนาขับไล่สิ่งที่ชั่วที่เสียให้ตกให้หลุดออกไปเมื่สิ่งที่ชั่วที่เสียตกหลุดออกไปความโสกบกหลุดออกไปความเสียหายตกออกไปความดีนั้นก็เกิดแทนความสะอาดมันก็เกิดแทนความสุนทร่ารรังคามต่างๆตกออกไปความสงบมันก็เกิดขึ้นมันเป็นขู่กันอยู่อย่างนั้น คือการทีเจอนาภายในการสระกายใจของตัวควรได้จิดตรวจตาที่เจอนาสระตัวอยู่อย่างนั้นมีสติรักษาอารมณ์ของใจอยู่ตลอดเยลาจะทําการทํางานก่อตามจะเดินไปที่ไหนก่อตามจะนั่งอยู่ที่ไหนก่อตามมีสติ มีหนักอะไรไม่เป็นไทยสำหรับสติมีหนักก็ยิ่มดีจะทางเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นจิตตรงภายในมันก็ทราบว่าอันนี้เป็นอกุศลเป็นทางชั่วทางเสียอันนี้เป็นฝ่ายกุศลดยงความสุขความสบายมาให้มันทราบมันก็เลือกคัดจัดเอาแต่สิ่งที่ มันเป็นประโยชน์เหมือนกันกับคนตาดีอันนี้ไม่ดีมันก็ไม่จับต้องไม่เอามาส่วนคนตาบอดมันมองไม่เห็นมันจับได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่แต่ไฟมันก็ยังเหยียบได้ถึงร้อนไหมขนาดไหนมันก็ยังเหยียบได้เพราะมันไม่เห็นมันถึงจะเหยียบขวดน้ำ มันก็เหยียบได้เพราะตามันเห็นคนตาดีหน่อยอย่างนั้นเห็นไฟเขาต้องเว้นเขาไม่ไปเหยียบขวกน้ำกวดมือนกันจร่ง่เป็นภัยอันตรายเขาไม่ไปเหยียบไปทำเหมือนคนตาบอดสติก่อทำนองเดียวกันแล้ว มีอยู่ในจิตในใจของเราจะทําจะพูดจะคิดอะไรสิ่งที่เป็นภัยอันตรายแก่ตัวและคนอื่นสัตว์อื่นทราบไม่ต้องไปหาที่ไหนสติหาที่ไหนก็นไม่เจอถ้าหากใน ด, ดูที่ตัวข้องตัวเดี๋ยวนี้มีสติหรือไม่เนืคิดเรื่องอะไรผิดถูกชัว่วดีอย่างไร กำหนดที่นิพพเจนาดูอยู่ภายในอย่าไปดูที่อื่นผู้ที่จะลุดพ้นไปจากโลกจากสงสาร <c oughs> ท่านดูภายในสละภายในของท่านไม่ไปงมภายโน่ตำหลับตำลาหรือหาอันอื่น ทุกเกิดขึ้นก่อให้ทราสการเรื่องของนั่าเป็นทุกข์ควรกำหนดรู้โอเคปฏิบัติได้แล้วหมดทุกข์มันหมดไปเต็มทุกข์นี่กายกับจิตยังอาศัยกันทุกกองขันมันยังมีอยู่ตลอดเวลาแต่ จ, จิตที่จะไปจิตข้องไปยึดถือไปลืมหลงว่าทุกข์ให ปวดแต่เราอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะให้มันหายออกไปไม่ควรจะมาบีบบังคับกายใจของเราแต่คิดไปอย่างนั้นคิดไปเท่าไรก็ยิ่งทุกข์เพิ่มเติมสุดไปเพราะสิ่งนั้นมันเป็นข้อจิ้มของมันจะขับไล่มันไปที่ไหนมันไปไม่ได้ให้กห็หมดรู้ตามความเป็นจิ้มของมัน ว่านี่คือทุกข์แต่สู้สิโตรู้ทุกข์เป็นทุกข์หรือไม่นั่นแหละเป็นเรื่องที่ควรจะกำจัดเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติเพื่อสาสตรตามความเป็นจริงทุกข์ก็คือเวทานาตัวหนึ่งจิตผู้มารู้ก็เป็นอีกอันหนึ่งไม่ใช่ เป็นเวทนาซึ่งเกิดขึ้นแล้ดับไปความรู้นี้จะเป็นสูขก่าตามเป็นทุกข์กอดตามเฉยเฉยกอดตามมันรู้รวมอยู่หลับอยู่เมื่อรู้นี่คือเรื่องของจิตจิตมีทางที่จะบริสุทธิ์ได้ถ้าหากเรามีปัญญาสอนใจมีความตั้งมั่นทงใจที่เจริญแกไขไม่ใช่ว่ามันจะโผล่ เสืมโทรมเรื่อยไปเม่ใชว่ามันจะติดข้องอยู่เรื่อยไปถ้าจึงให้ฝึกให้ออกลมเรื่องของจิตใจถ้าฝึกได้ออกลมได้เรื่องความคุกเข่ากันเหมือนก่อนมันไม่มีเราเอียงซ่าในตัวของเราในต่อไปหาประกาศนิยบัติที่อื่นมาติดให้ เม่อเราเป็นเสวดาวเกิดจิตทาคานาคาละหันแต่ในจิตของเราเป็นอย่างไรนะั้นเราทราบดีแต่ก่อนเป็นอย่างไรฝึกปฏิบัติมาจิตใจมันเป็นอย่างไรจนตลอดปัจจุบันมันเป็นอย่างไรถ้ามันยังติดข้องสงสัยก็เหมืนที่นี้พิจารณาคณะเรื่อยไปมันหมดได้ไม่ใช่มันไม่หมด ถ้าหากเราเพยายามกําจัดมันมันจะมากขนาดไหนมันก็หมดได้ถ้าเราไม่หามาส่วนเติมใหม่หรือปิดทางเข้าปล่อยให้มันออกความชั่วเสี้ยต่างๆมันก็มีเวลาหมดาทางไหลเข้าก็มีทางไหลออกก็มีมันก็ไม่มีเวลาหมดเพราะมันไหลมาส่วนเติม ต่อกันอยู่เรื่อยทางนี้แต่ทางออกถ่ายเดียวมันหมดการทาความสะอาดกายใจก็เหมือนกันกับทาความสะอาดวัตถุต่างๆมันสะอาดได้ขอเจอยประมาตไว้อยอาไว ปัดในกว่าในดูแลรักษาในซักฟอกมันกัสุกภพอย่าเอาของสุกปกไปถ้าล้างของสุปกปกมันไม่สะอาดนี่ทำคําสอนของพุทธเจ้าเป็นของสะอาดทังร่างาสารร้างจิตที่สุปกปกให้ผ่องใสให้สงบเย็นได้ไปยามการทําอย่าไปถือว่า เราอย่างนี้ถึงชาถึงสมัยเรายังมีดินบาลามียังอ่อนยังต่ำถ้าไ ป, ไ ป, าา ป, ไาไปคิดไปแงน่นั้นจินนนนนตนใจก่อนจะมีวันที่จะสงบระงับได้มีแต่วนวายอยู่ด้วยไปคอยวันคอยคืนให้มันสุกเองเหมือนผลไม้มันเป็นไปใได้านเรื่องของจิตใจต้องอาศัยการ ทำละสาสางอาศัยตาปะธรรมแทดเผามันจึงจะสุขตาปะธรรมก็คือสติคือปัญญาเป็นตปาปาธรรมเผาเกลียดที่มีอยู่ในกายในใจให้ปกหลนออกไปให้หมดออกไปให้สุขให้สะอาด อยาไปหาเรื่องอื่นโยงของใจเราจะเอาน้ําในมาหาส ม, มุทรมาอาบมาล้างเพื่อให้สะอาดหมดแม่มน้ำทั้งมาหาส ม, มุทรมันก็ไม่สะอาดได้นอกจากจิตปัญญาจะไปชำระ <c oughs> ให้สะอาดเท่า น, นั้นสิ่ง อ, อื่นไม่สามารถจปชาร ะ, ะจิตให้บริสุทธิ์ให้สะอาด นอกจากทำคำสอนของพุทธเจา้าอะไรที่มันสงสัยอะไรที่มันข้องใจก่อกรรมหมดที่นีที่เจอนะในจีนอานนั้นให้เห็นตามเป็นจริงของมันอย่าไปสาฟืนความเป็นจริงมันจะเกิดทุกข์โลภโกรลงที่มีอยู่ประจําใจ มันมีทางสำราสารงได้ถ like ้าคิดเจรณาตามธรรมะของพุทธเจ้าเขียนได้จึงสำราได้เพราะใจเห็นใจมีปัญญาจึงสามารถสำราได้ถ้าใจไม่มีปัญญาหาสติไม่ได้ในตัวแล้วไม่ทราบหรือหรือไหลพอกมาจากคิดได้เหมือนกันกับสวนที่ไม่มีรั้ววัชพาย รูปสัตว์ต่างๆมันก็เข้าได้สะดวกจะได้เราปิดกัน้นเราไว้สับว์ที่มันเคยเข้ามามันมาจิตรวอวของเราเมื่ก็เข้าไม่ได้สิ่งที่ปลูกฝังเอาไว้มันก็จะเรืองอกงามเรื่องจิตใจก็ถ้านอนโยกันขีนขั้วกั้นสิ่งที่ปลูกเอาไว้สมาธิ คือเป็นี่ดลูกสร้างเอาไว้ปัญญาคือผลเกิดขึ้นจากพืชพันที่เราปลูกไว้มันมีอยู่ในกายในใจมันไม่ได้อยู่ที่อื่นอย่างไรนี้ที่อยู่มาดูนี่มันเห็น ปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญหลวพ่อใจเจ้าท่านจะได้รู้ธรรมะก็เหมืองจากการปฏิบัติครูอาจารย์ท่านทีรู้ธรรมะก็เกิดจากการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเข้าถึงผนต่อของมันก็นแก้ไ้ได้โล่มันจะโล่ไปที่ไหน อยาได้อะไรคนที่โลภมาก่อนเราเขเกิดมาเขาก็มีความอยากได้แส่งหาว่าหวุนอยู่ตลอดเวลาแล้วเขได้อะไรไปไหมกายของเราที่ยึดถือไว้อยากได้มาเพ่วงยนกายให้สุขให้สบายแล้วมันสุขมันสบายตามความหวังไหมถึงเวลาเจ็บไข้ถึงข้าของ มากมายกายกองขนาดไหนมันแก้ไขความเก็บไข่ของเราได้ไหมมันแก้ไขไม่ได้ถึงเวลาตายแล้วหอบหิวหาหามไปได้ไหมจริงที่เราแสวงหาเราโลภเราอยากได้มันกะมีนี้อะไรที่จะหอบหิวหาหามไปได้มันก็เป็นพยายามอยู่แล้ววเราทําไมจริงไปหลุ่มหลง ของจิตจิตปรุงจนเกินไปหาความฝุ่ความสบายความเย็นใจไหนได้ไม่ใช่ความยากอยู่ตลอดระยะเวลาถาหากเรามีปัญญาเราพิจารณาจิตของเราเป็นธรรมจริงจังมันปล่อยได้วางได้ละได้ถอนได้โปดดวดหรือเราทำนองเดียวกันมันให้สุ่นให้ทุกอย่างเลยตัวของเราขอทราบ มีแต่ทุกข์แต่โทษไม่มีความถูกความสบายอะไรให้โกรธมากเท่าไรก็กินไม่ได้นอนไม่หลับหน้าตาโกรนหน้าดูเป็นหน้ายักหนามานไปพูดออกมากว่าเสียงที่พูดออกมาก็เป็นเสียงที่เหน่าที่เหม็นไมมีความเยือกเย็นจะเข่าหัวใครก็เร่าร้อน ปากเน่าปากเหม็นเพราะความโกรธภายในใจฝักลันออกมามันเลยไม่มีคุณค่าาระอะไรให้คนที่ไนโปวดไปเห็นคนทั้งโลดสังเวชโกรดใจมันแผลมันเผาเขาขนาดนั้นเขาก็ยังไม่เห็นทุกข์เข็นโทษเขายังยอมโกรธยังยอมยินดีในสาระสาสารทันคิดไปอย่างนั้นทันจริงสลดใจ ถ้าเขาเห็นโทษทุกเ่านั้นเขาก็าแก้ไขว่าโกรธนี้มันเป็นเหรื่องทุกข์เรื่องโทษไม่ใช่เรื่องของยิ่งพิเศษอะไรโกรธไปแล้วได้ผลอะไรมาให้เสกยตัวและคนอื่นเมว่อมันไม่เกิดผลเกิดประโยชน์จะไปโกรธทําไมมันก็ฟ้อนใจทั้งตัวได้ นี่คือเลือกสอนใจตั้งใจเรื่องความหลงในสิ่งต่างๆไม่รู้ไม่เข้าใจตามเป็จริงมันแสกสิงอยู่ทั้งโลภทั้งโกรธถ้าหากวันไม่มีหลงมันโกรธเป็นไปไมได้ความโลภมันจะโกรธขึ้นความโกรธมันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในดาษเพราะความหลงของใจ ปัญญาสามารถที่จะแก้ไขใจมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้ามันมีปัญญาแก้ไขพอเกิดขึ้นแล้วก่อนชำระไปตกไปเพราะมันไม่ยอมรับมันถือว่าเป็นพิษเป็นภัยเป็นของผุกรกระโปกจะเอามาประดับทําไมของเหนา่าของเหม็นของเป็นพิษเป็นภัย